พนอบน้อมตะคุณปรตตัตนตรัยโรูกาพาจรย์เพสศาลพระเทลานุเทละเพื่อนสนล ม, มิกทุกท่านจเจริญธรรมาชีและญาติธรรมทุกท่านหัวควายตายเหลือไว้เพียงเขาหนังช้างตายยังเหลืองาเป็นศักดิ์ศรีคนเราตายเหลือไว้เพียงชั่วดี บรรดามีประดับไว้ในโลกาวันนี้ก็เป็นวันเพลหัสที่สี่ซึ่งยังเหลือเพียงสองวันก็คือวันที่หกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดซึ่งเป็นวันที่พวกเราสิจานุสิตของหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโอก็จะร่วมกันประชุมเพลิง สรีระหลวงพ่อในวันนั้นนะก็อีกสองวันหลังจากวันนี้ไปซึ่งคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานเป็นหมื่นคนนะสิทธิ์ย์ทั้งพระทั้งคราวาสญาติโยมต่างคนต่างก็ทำงานร่วมงานโดยความสามัคคี ด้วยความเต็มใจอย่างเต็มที่นะเพื่อให้งานครั้งนี้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณความดีที่หลวงพ่อได้เคยสร้างมาตลอดเวลาที่ท่าน อ, อยู่ในสมณเพศนี้จากการที่ท่านเกิดมาโดยท้าจะไม่มีใครรู้จัก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 หรือเป็นการที่ท่านช่วยดำเนินเข็นกรุงล้อของพระธรรมจักรให้เคลื่อนไปข้างหน้าโดยการแสดงธรรมตลอดเวลาสี่สุกว่าปีที่ผ่านมาสิ่งเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ตาตึงใจนะแก่ทุกๆผู้ทุกๆรูปทุกๆนามที่ได้พบเห็นจบจนวันนี้ก็ เป็นวันที่พวกเรานะจะได้ร่วมกันทํางานเพื่อถวายความกตัญญูแก่ท่านอย่างแท้จริงรตลอด 40-47 ปีที่ผ่านมาท่านก็ได้แสดงธรรมมากมายนับไม่ถ้วนนะท่านดูแล้วก็น่าจะหลายพันหรือจะเป็นหมื่นอ่าเป็นหมื่นครั้งหมื่นกันที่ท่านได้แสดงธรรมามากมายครั้นี้เนี่ยสิ่งสาระสําคัญต่างๆก็มีมากะ แต่การแสดงธรรมนั่นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆนับางทีเราฟังดูเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยเลยถ้าเราเข้าใจฟังอย่างที่ท่านพูดเราก็สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้ง่ายๆเหมือนกันนะมันเป็นแค่การเปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเองเพียงเราพลิกมุมมองเราก็เจาะจากความทุกข์ได้เช่นท่านบอกว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้อันนี้ท่านยังพูดบ่อยมากเปลี่ยนหลงเป็นรู้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 ก็เรียกว่าหลงแล้วก็ไหลไปในกิเลสต่างๆนะแต่หลวงพ่อบอกให้เปลี่ยนหลงเป็ น, ปนรู้เนี่ยมันก็เปลี่ยนทันทีเลยนะถ้าใครเข้าใจตรงนี้มันไม่ยากเลยแม้แต่คนไม่ปฏิบัติธรรมจริงๆถ้าเข้าใจตรงนี้ก็ออกจาก <c oughs> ความหลงได้เหมือนกันหลงปั๊บเนี่ยรู้เลยอ่ามันออกได้จริงๆนะแต่ในคนที่ไม่ปฏิบัติเขาก็อาจจะช้านิดนึงเออมันไม่รู้ว่าจะรู้อย่างไรอ่มันจะหลงเปลี่ยนหลงเป็นรู้ไม่รู้ว่าจะรู้อย่างไรมันจะช้าตรงนี้นิดนึง แต่ถ้าเขารู้ว่าเออจริงๆแล้วก็เปลี่ยนมารู้สึกตัวนั่นเองนะมันก็ง่ายขึ้นเพราะฉนั้นสิ่งหลวมพ่อสอนในตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าใครๆนะ่ในโลกนี้มันก็ลงว่าทุกคนนั่นแหละแต่ความหลมมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นแปลกหรือเป็นความผิดนะแต่เมื่อเขาหลงแล้วเราเปลี่ยนเขาได้ไหมเปลี่ยนเป็นรู้ได้ไหมนะว่าเปลี่ยนเป็นรู้ปั๊บเราจะเห็นว่าความหลงมันก็ดับไปมันก็มารู้แทนะ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 รู้ากำลังทำอะไรอยู่นะรู้กำลังนั่งกำลังยืนกำลังเดินกำลังนอนนะกำลังเคลื่อนไหวอ่ากำลังทำอะไรกลับมารู้อยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเองมันก็จะดับไปความคิดทั้งหลายแหละมันก็ดับไปนะกลับมาเป็นตัวรู้แทนนะมันออกจากความคิดได้เพียรหลงเป็นรู้นี่แหละอันนี้เป็นธรรมะที่หลวงพ่อจะพูดบ่อยมากเลยนะแล้วท่านบอกว่าปฏิบัติก็คือกลับมาคำว่าปฏิก็คือกลับมา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 เป็นสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดให้พวกเราฟังอยู่ในจมเราหลวงพ่อจะพูดบ่อยๆให้รู้ซื่อๆนะรู้ซื่อๆรู้ซื่อๆรู้ตรงๆไม่แปลวาอะไรจากการรู้นั้นรู้ซื่อๆมันกคือไม่แปลวาผิดไม่แปลวาถูกไม่แปลวาเหตุไม่แปลว่าผลรู้ซื่อๆรู้ตรงๆไปเลยนะไม่ต้องไปอ่า เอาเหตุเอาผลเอาอะไรทั้งสิ้นกลับมารู้ซื่อๆรู้บริสุทธิ์นะรู้สึกตัวก็รู้ซื่อๆนะปฏิบัติธรรมต่างๆก็รู้ซื่อๆนะเปลี่ยนหลงเป็นรู้มารู้ซื่อๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายนะครั้งหนึ่ง <c oughs> ที่ท่านเคยไปปฏิบัติกับหลวงปเจริญใหม่ๆที่วัดสนามใน ตอนนั้นหลวงะเทียนก็ <c oughs> เรียกท่านเข้าไปในคุติแล้วก็ให้ปิป <c oughs> <c oughs> ปดประ ต, ระระปประตูแล้วก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมไม่ <c oughs> เห็นครับทําอย่างไรจึงเห็นข้างนอกเปิดประตูครับอ่าหลังนั้นท่านก็หลวงพเตียนก็ไปเปิดประตูแล้วก็ท่านก็ไปยืนอยู่ตรงกลางประตูแล้วก็ถามว่าเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับหลวงะเทียนบอกอ่ตรงนั้นนั่นแหละ ทำตรงนี้นั่นแหละเราแทงเขาไปะตรงนี้ก็ตีความหมายได้หลายอย่างนะก็คือรู้ทั้งภายนอกภายในก็ได้หรือจริงๆแล้วก็คือรู้ซื่อๆนั่นแหละก็คือไม่ต้องไปเอาเหตุเอาผลไม่ต้องไปเอาถูกเอาผิดกับสิ่งต่างๆก็กลับมารู้ซื่อๆรู้ตรงๆอ่รู้ในอ่ความที่เป็นปัจจุบันนี่แหละรู้ตรงๆรู้ซื่อๆรู้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปเอาอะไรทั้งสิ้นกับเขาอันเนี้มันจึงจะว่าเห็นทั้งภายนอกและภายในเพราะเราไม่ได้ไปเอาอะไรเลย นั่นเปนก็แค่ความรู้ตรงๆเท่านั้นเองรู้ซื่อๆนั่นแหละนะครั้นี้ท่านก็มีคําสอนที่อสําสคัญอยู่นะคํานึ่งที่น่าจะดีมากคือถ้าได้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากเป็นผู้เป็นมาเป็นผู้เห็นนะครั้งหนึ่งก็มีนักปฏิบัตนะิอผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อ ว, ว่าวันนี้หนูเครียดมาก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 เราห้ามว่าเราเราอยากเครียดได้ไหม <c oughs> มันก็ห้ามไม่ได้นะอยากโกรธได้ไหมก็ห้ามไม่ได้อยาลักได้ไหมมันก็ห้ามไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เป็นภริยาเจ้าเราห้ามก็ไม่ได้แต่เราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้อย่างที่หลวงพ่อบอกะเปลี่ยนจากเพียงผู้เป็นมาเป็นผู้เห็นเท่านั้นเองนะมันตรงนี้มันพลิกกลับมาได้เลยนะอถ้าเราเข้าใจในตรงนี้มันไม่ยากเลยนะครา้นี้อถ้าเป็นปุโรชนทั่วไปที่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ทําได้เหมือนกัน นะเขารู้ว่าขนาดนี้เขาโกรธเขาก็เปลี่ยนได้เออมาเป็นผู้เห็นนะแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนยากนิดนึงมันไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงไม่รู้จะทําอย่างไ ร, <c oughs> ไ ร, ะงไรนะอแต่ว่าท่านเป็นนักปฏิบัติแล้วตรงนี้มันไม่ยาก <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ว่ามันง่ายเหมือนกับพิกพับฝ่ามือเลยสมัยที่อ่าผมเลือกธรรมาได้ฟังธรรมะนี่ใหม่ๆก็เป็นสิ่งที่สะดุดหูอ่านะสมัยนั้นก็มาคิดว่า อ, อคนเรามันมีความทุกข์เยอะนะมันก็เกิดจากการที่เราเข้าไปในความคิดนั่นแหละนะ แต่ถ้าเราออกจากความคิดได้มัน <c oughs> มันจะเป็นเรื่องที่มันง่ายไม่จะเป็นเรื่องยากอะไรเลยเราคิดแล้วออกจากความคิดได้ไหมนะตรงที่เรามีความคิดนั่นแหละเขาเรียกว่าเราเป็นผู้เป็นแล้วตรงที่เราออกจากความคิดมันก็เป็นแค่ผู้ดูเท่านั้นเองนะเป็นผู้เห็นเป็นผู้ดูมันก็ออกมาเลยนะเพราะจากการที่ได้ธรรมะตรงนี้ก็เลยคิดว่า damit, ความทุกข์มันก็ทํำเลยแล้วไม่ได้หรอกมันทํำเลยแล้วไม่ได้จริงๆเลยถ้าเราทําตรงนี้ได้ โดยที่ตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเยอะเลยแค่ฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็รู้สึกว่าความทุ่ ม, มทําอะไรเราไม่ได้แล้วหลังนั้นเราก็เป็นผู้ดูบ่อยๆนะอะไรเกิดขึ้นเราเป็นผู้ดูดูกายดูใจไปเท่านั้นเองเนะมื่อมีความคิดเกิดมาก็เป็นผู้ดูความคิดไปไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้คิดมีลมอะไรเกิดขึ้นเราก็เป็นผู้ดูอารมไปก็กลายเป็นผู้ดูไปเลยนะปฏิบัติธรรมล้วก็กลายเป็นผู้ดูไปยืนก็เป็นผู้ดูการยืน เดินก็ดูการเดินนั่งก็ดูการนั ally, side, side, right ่งนอนก็ดูการนอนมันก็กลายเป็นผู้ดูไปเลยนะตรงนี้เป็นเทคนิคง่ายๆที่หลวงพ่อให้มานะเราก็อ่าเข้าเข้าใจในตรงนี้มันก็กลายเป็นผู้ดูไปไม่เป็นผู้เป็นนะตอนหลังมันก็ทําได้ทุกอย่างไปบินสบายก็กลายเป็นผู้ดูไปเดินไปไหนก็กลายเป็นผู้ดูไปเดินวงกลมก็เป็นผู้ดูมันก็เลยเข้าใจเออตรงนี้มันก็เป็นรูปเองนะเป็นรูปมันไม่เห็นตัวเราดูไปเรื่อยๆมันก็เห็นว่าเป็นรูปเท่านั้นเองนะความคิดเมื่อก่อนเรา สมัยก่อนเราเป็นผู้คิดเพราะเราเห็นความคิดเราก็กลายเป็นเห็นนามไปเออมันก็แค่ความคิดนะไม่เรามันก็แค่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองมันไม่เป็นความคิดของเราแล้วมันเป็นแค่นามที่มันเกิดและดับมันก็กลายเป็นเห็นรูปเห็นนามไปเนี่ยจากตรงนี้ง่ายๆที่หลวงพ่อบอกนะอะเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นนะมันกลายเป็นธรรมันจากยากก็เลยกลายเป็นง่ายไปเพราะเราไม่ได้ไปห้ามว่าเออมันต้องอย่าคิดนะ ต้องยาโกรธยาลักย่าชังมันห้าไม่ได้หรอกแต่เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนมุมนิดนึงเออเรากลับมาเห็นก็ได้ไหมว่าอเราเป็นผู้ดูได้ไหมไม่เป็นผู้เป็นแบบสมัยก่อนนะอ่มันก็เลยกลายเป็นง่ายเลยกลายแบบธรรมนะยกมือสร้ายย่บางก็เป็นผู้แค่แค่ดูการเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองนะไม่ใช่เรารู้สึกมันก็เป็นแค่ความรู้สึกในการเคลื่อนการไหวไม่ใช่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยมันกลับมาเป็นผู้ดูได้ตลอด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 พคนเราอะมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราอยู่อะเป็นประจำอยู่เสมอตัวเราถูกตัวเราผิดตัวเราดีอะใครจะมาว่าเราไม่ได้ใครจะมาินทาเราไม่ได้นะใครจะกระทบเราก็ไม่ได้ทั้งหมดมันมีตัวเราอยู่นะมันมีมันมีมันมีผู้เป็นอะมีมีมีอะไรนะมีใครทำอะไรมีใครเป็นอะไร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 ที่ถูกต้องแล้วคนคนนั้นนะความยึดติดก็จะน้อยลงในความที่เรียกว่าเราความเข้าใจผิดที่ที่ว่ามีเรามาตลอดมันก็จะวางในตรงนี้ไดนะ้ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆแต่ก็เกิดจากอาการที่เราค่อยๆฝึกปฏิบัติมานั่นแหละในการที่จะกลับมารู้สึกตัวได้บ่อยๆกลับมาเห็นกายเห็นใจได้บ่อยๆเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิด รู้สภาวะถึงสภาวะเหล่านั้นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตามันก็จะปล่อยก็จะวางหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายแหล่ใจก็จะไม่เป็นอะไรกับอะไรจริงๆนะมันมองเห็นว่าถึงตางมันไร้สาระไม่มีความหมายอะไรเลยนะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นของชั่วคราวเท่านั้นนะมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมีแต่ความแปรปรวนไม่มีสาระไม่มีการสารใดๆนะเมื่อจิตเห็นเช่ดนั้นบ่อยในสภาวะเหล่านั้น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 รู้ไปรู้ให้ชัดเจนถ้ารู้ไม่ชัดเจนท่านก็ให้หยุดกลับมารู้ใหม่นะรู้ตัวให้ชัดๆใหม่ๆท่านก็ให้มีความรู้ให้ชัดๆนะตรงเนี้ยกลับมาฐานกายให้ได้ก่อนอยู่ฐานกายได้บ่อยๆตรงนี้มันเป็ น, เ ป, นเป็นพื้นฐานที่ที่ดีที่ถูกต้องเห <c oughs> มือนกับเราจะสร้างตึงกเราต้องมีเสาเข็มแล้วก็คือกลับมาอยู่ฐานกายมันก็เป็นเสาเข็มพอเราะระวางฐานกายดีแล้วมันก็จะไปเห็นฐานจิตได้เอง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 มันก็เชื่อบที่ขึงตึงนะระหว่างเสาสองต้นเชื่อกขึงตึงๆแล้วก็ตัดตรงกลางเชื่อกปั๊บเนี่ยมันจะต่อติดอย่างเก่าไม่ได้แล้วนะต่อติดอย่างเก่าไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อใจที่มันเข้าใจในสภาวธรรมะที่มันไม่เป็นอะไรกับอะไรแล้วมันจะต่อกลับมาให้มันเป็นอะไรกับอะไรไม่ได้เลยนะมันจะขาดทันทีนะมันจะขาดทันทีเลยตรงนี้กิเลยก็จะหลุดพั่วไปนะอยู่ที่ว่ามันหลุดมากหหลุดน้อยก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละคน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 อคําสอนท่านเนี่ยมีค่ามากประดุดเป็นเพชรเป็นพลอยจริงๆแล้วก็ยิ่งกว่าเป็นเพชรเป็นพลอยเพราะว่าเป็นเพชรเป็นพลอยมันก็นํำทําให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่คําสอนนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถที่พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะเพราะคนเราเกิดมาเนี่ยมันเรียกว่าเราเกิดมามันก็มีแต่ความทุกข์อย่างที่ว่าชาติปีตุขะเกิดก็เป็นทุกข์ชราปีตุขะความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปีตุขังความตายก็เป็นทุกข์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 ลูกกงสิบซี่แปดซี่ห้าซี่ไปขังไม่อยู่มีลูกกงแค่ซี่เดียวที่ขังมันอยู่ก็คือสตินั่นเองนะซี่เดียวคือสติมันขังเสือได้เลยนะเพราะฉะนั้นสติจึงเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่มันจะไปต่อสู้กับกิเลส ท, ทั้งหลายกิเลสมันไวมากนะกิเลสมันไว ย, ยิ่งกว่าเครื่องบินนะเครื่องบินในพนที่ว่าเร็วแล้วนะ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 ในความไปนในอนิจจังทุกขังนาตาได้ในทุกๆสภาวธรรมเนี่ยตรงนี้จิตก็จะเริ่มที่จะปล่อยเริ่มที่จะวางได้อย่างแท้จริงไม่ได้หลวงประเทียนบอกว่าเออตัดเชือกขาดแล้วมันก็รอไม่ติดเนาะเนี่ยเพราะฉนั้นก็เป็นพระคุณหลวงพ่อที่มีต่อพวกเรานะศิษย์ญาติศิ์ทั้งหลายที่เป็นพระกะด็ดีที่เป็นฆราวาสเป็นญาติโยมกด็ดีได้สลับกลับฟังได้รับธรรมะจากหลวงพ่อมาถึงสี่สเจ็ดปีแล้วเนี่ย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 ให้พวกเราทุกท่านเจริญในศีลสติสมาธิปัญญาละกถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้ทุกท่านเถิด